คำว่ามันโทเนี่ยแปลว่าคนเข่าคนหลงไม่ใช่ผู้รู้เนะพวกไปในอวิชชาไม่มีญาณไม่มีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาสามเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าคนเข่าเข้าถึงทุกบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลเมื่อเห็นโทษในอุปธิเนี่ยนะคำว่าเห็นเนี่ยนะหรือรู้โทษเนี่ยนะคำว่ารู้เนี่ยหรือรู้หรือเห็นเนี่ยเห็นยังไงก็เห็นอริยสัจนั่นแหละเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขาร ทั้งปวงเป็นทุกขธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาปฏิจจส ม, มุปบาทโดยอนุโลมปฏิโลมเนี่ยนะรู้อริยสัจ ร, รู้เหตุเกิดความดับอาศาทีนว่านิสระนาของภาษายตนา6อุปาทานขันห้ามหาภูต ร, รูปสี่รู้อภิญยัยยธรรมเป็นต้นตลอดจนถึงรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะอันนี้เรียวกว่าผู้รู้จริงก็คือรู้อริยสัจนะนะรู้ธรรมะที่จะทําให้พ้นจากทุกข์ ผู้ที่รู้อย่างนี้จะไม่ทําตันหูปฏิจะไม่ทํากิเลสูปฏิจะไม่ทําทิดถูปฏิกรรมูปฏิทุจริตูปฏิอาหารูปฏิปฏิคูปฏิหรือว่าจะไม่สร้างมหาพูดที่จะปฏิสนธิต่อไปเนี่ยนะจะไม่สร้างอายตนะภายในหจะไม่สร้างวิญญาณหมวดหกพวกนี้จะไม่มุ่งสร้างวัตะเพราะฉะนั้น พวกนี้จะไม่พึงให้เกิดให้เกิดพร้อมให้บังเกิดเฉพาะคือรัตนผู้รู้คือรูวอริยสัจจะไม่ทำอุปธิจะไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์ใหม่ๆเข้าไปเพราะอะไรเพราะว่าท่านพิจารณาเห็นแดนเกิดแห่งทุกข์คือเป็นผู้พิจารณาเห็นมูลเห็นเหตุนิทานสมภพแดนเกิดสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยสมุทยัยแห่งชาติชราพยาธิมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปาญาทุกข เพราะฉะนั้นผู้นี้จึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จริงๆเป็นผู้มีปัญญารู้ชัดผู้ไม่หลงเลือกเฟ้นธรระ น, นะด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิที่เป็นอนุปัสนาเนนนะบุคคลผู้เข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบแล้วด้วยปัญญาอันพิจารณาเห็นนแบบนี้เรียกว่าผู้เห็นจริงๆเนี่ยเห็นอริยสัจจะไม่สร้างเหตุแห่งทุกขเนี่ยนะกล่าวว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นเหตุแห่งทุก ันสรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วว่าผู้ใดไม่ใช่ผู้รู้ย่อมทําอุปธิผู้นั้นเป็นคนเคาย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆเพราะเหตุนั้นผู้รู้อยู่ไม่พึงทาอุปธิเป็นผู้พิจารณาเห็นแดนเกิดแห่งทุกข์เนี่ยนะทีนี้ท่านพระเมตคูมานพเนี่ยนะก็ถามต่อไปว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามแล้วซึ่งปัญหาใดพระองค์ก็ได้ตรัสบอกปัญหานั้นแล้วแก่พระองคอ์แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจะขอทูลถามปัญหาข้ออื่นขอพระองค์เนี่ยโปรดตรัสบอกปัญหานั้นถามว่าทีระชนทั้งหลายย่อมข้ามซึ่งโอคะชาติชราโสกะปริเทวะได้อย่างไรเนาะอนะแปลว่าข้ามกิเลสข้ามวัฏะได้อย่างไรพระองค์เป็นพระมุนีขอโปรดแก้ปัญหาแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยดีแท้จริงธรรมะนั้นอันพระองค์ทราบทรงทราบแล้วนะ ขอให้แนะนำเธอะนะข้ามพ้นจากกิเลสข้ามพ้นวัตตะได้ยังไงขออนุเคราะห์นะสงเคราะห์โปรดเธอนะพระองค์รู้หมดแล้วละอธิบายว่าก็ที่บายเนี่ยนะภาษาริบุตรนเทศว่าข่าพระองค์ทั้งหลายได้ทูลถามปัญหาข้อใดแล้วพระองค์ได้ตรัสแก้ปัญหาเหล่านั้นแล้วแก่ข่าพระองค์ทั้งหลายที่ถามเนี่ยนะ ก, นก่อนกอนก็ตอบได้หมดแล้ว คำว่าทีราทีราธีรชนทั้งหลายคือนักปราบบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้มีความรู้มีญาณมีปัญญาเจีมแจ้งมีปัญญาทําลายกิเลสนะคำว่าข้ามโมฆะนะก า, โารโมฆะพโวคะทิถุฆะอวิโชคะนะข้ามชาติชาติก็คือความเกิดความเกิดพร้อมความก้าวลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันทั้งหลายความได้เฉพาะซึ่งอายตนาทั้งหลายในหมู่สัตว์ น, นั้นแห่งสัตว์เหล่าสัตว์ น, นั้นชื่อว่าชาติ ความแก่ความเสื่อมความเป็นผู้มีฟันหักความเป็นผู้มีผมหงอกมีหนังย่นอายุเสื่อมความแก่แห่งอินทรีย์ทั้งหลายในหมู่สัตว์นั้นนแห่งเหล่าสัตว์นั้นนั้นชื่อว่าชราส่วนความโศกก็คือความโศกกิริยาที่โศกความเป็นผู้โศกความโศกณภายในความเกรียมณภายในความร้อนในภายในความเร่าร้อนภายในความเกรียมตรอมแห่งจิตโทมนัส ลูกสอนคือความโศกของคนที่ถูกความชิบหายญาติกระทบคนที่เสียเสียโภคะกระทบโรคกระทบเสียศีลเสียทิฏฐิเนี่ยนะหรือประจจบ ก, กับความชิบหายเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง น, นะอย่างนี้เรียกว่าคนที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเรียกว่าความโศกส่วนปริเทวะก็คือความร้องให้รำพันกิริยาที่ร้องให้กิริยาที่รำพันความเป็นผู้ร้องให้ความเป็นผู้รำพัน ความพูดถึงความพูดเพ้อเจ้อความพูดบ่อยๆความร่ำไรกิริยาที่ร่ำไรความเป็นผู้ร่ำไรของคนที่ถูกความเสียญาติเสียทรัพย์เสียถูกโรคกันนะเสียศีลเสียทิฏฐิกระทบเรียกว่าความขรําครวรถามว่ากิรชนทั้งหลายย่อมข้ามโอะชาติชรา ม, มรณาโศกะ ป, ปริเทวะได้อย่างไรอธิบายว่า ทีรชนทั้งหลายย่อมข้ามคือข้ามพื้นข้ามพ้นก้าวล่วงเป็นไปล่วงซึ่งโอคะชาติชรามรณะโซโกะปริเท ว, ะ ไ, ไ ว, ะ, เว ะ, ะได้อย่างไรตังง่ายๆว่าข้ามกิเลสข้ามวตฏะได้อย่างไรนไข้ามกิเลสข้ามสังสาระข้ามทุกขได้อย่างไรคําว่าตังนะบอกว่าข้าพระองค์ย่อมทูลถามทูลวิงวอนทูลให้ประกาศปัญหาใดเนี่ยนะ คือญาณปัญญาความรู้ความไม่หลงความเลือกเฟ้นทำสัมมาทิฏฐิเรียกว่าโมนะในคำว่ามุนีมุนีก็คือผู้มีโมนายธรรมนะผู้พระผู้มีประภาคเจ้าประกอบด้วยพระญาณ น, นั้นจึงชื่อว่ามุนีถึงความเป็นมุนีโมนายธรรมทำเป็นมุนีมี3ประการคือกายโมนา ย, ยะวจีโมนายะมโนโมนายะ กายโมเนยะเป็นไงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีโมเนยธรรมใช่ไหมผันพระองค์ละกายยัตุจิติสามบำเพ็ญกายยัตุจิกายยสุจิติสามยานมีกายเป็นอารมณ์ความกําหนดรู้กายมักอันสหรคตรด้วยความกําหนดรู้การละฉันทาคะในกายความดับกายยสังขารคือลมหายใจเข้าออกความเข้าเจตุทะชานนี้เรียกว่ากายโมเนยะนี่นะมันก็นละความชั่วทางกายประพฤติความดีทางกาย ปัญญาที่มีกายเป็นอารมณ์การทําปริญญาในกายทําปริญญาจนอริยมรรคเกิดอริยมรรคเกิดละฉันทราค่าในกายดับลมหายใจเข้าออกเข้าถึงจตุตฌานอย่างนี้เรียกว่ากายโมนยะเนี่ยนะเรียกว่าถึงพร้อมด้วยธรรมที่ทําให้เป็นมุนีทางกายจริงๆส่วนวจีโมนยธรรมวจีโมนยะก็คือละวจีทุจริตสี่ประการบําเพ็ญวจีสุจริตสีประกา ร, ร, ย, ร, การยานมีวาจาเป็นอารมณ์การทํา ปริญญาในวาจาอารยมักอันสหรคตด้วยการทําปริญญาการละชันราคะในวาจาการดับวจีคือลมอคือวิตกวิจารณด้วยการเข้าธุริยะฌานดังที่กล่าวไปชื่อว่าวาจีโมนยะนะง่ายๆก็คือละความชั่วบําเพ็ญความดีแล้วก็คําพูดทั้งหมดทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยวาจามีวาจาปัญญาเนี่ยกำหนดรู้คําพูดทั้งดีทั้งชั่วมีผลยังไงต่อไปทั้งหมดนะนะ แล้วก็เอาวาจามาทำปริญญาทำปริญญาจนเมียริยมักถ้าเมียริยมักจริงก็ตัดตัดฉันทราคะในวาจาเพราะนั้นธาตุแน่จริงก็ดับวิตตกวิจารเข้าทุติยฌ า, านได้จึงเรียกว่าผู้รอบรู้เรื่องวาจาอย่างตลอดสายส่วนมโนโมนยะเป็นฉนะก็คือละมโนทุจริตสามอย่างเนี่ยนะบำเพ็ญมโนสุดจริตสามอย่าง ยานมีจิตเป็นอารมณ์การทำปริญญาในจิตอริยมรักสหรต ด, ด้วยการทำปริญญาการละฉันทราคาในจิตการดับจิตสังขารคือสัญญาและเวทนาการเข้าสัญญาเวทายิตานิโรธคือเข้านิโรธสมาบัตินี้ชื่อว่ามโนโมนยะนะก็นละความชั่วทางใจได้ทำใจให้เป็นสุจริตได้แล้วก็ทั้งสุจริตทุจริตนั้นะ่ะเอามาพิจรารณามหมดอะ่อนะนกำหนดรู้จิต อริยมรรคที่สหรคตด้วยการกําหนดรู้หรือด้วยธรรมปริญญาเนี่ยสา ม, มารถละฉันทราคะดับสัญญาและเวทนาด้วยการเข้าสัญญาเวทายิตานิโรธคือเข้านิโรธสมาบัติสรุปเป็นคาถาว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงมุนีผู้ผู้เป็นมุนีโดยกายเป็นมุนีโดยว่าจะเป็นมุนีโดยใจผู้ไม่มีอาสวะถึงพร้อมด้วยความเป็นมุนีว่าเป็นผู้ละอกุศลธรรมทั้งปวงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงมุนีเป็นผู้ ผู้เป็นมุนีทางกายเป็นมุนีทางวาจาเป็นมุนีทางใจเนี่ยผู้ไม่มีอาสวะถึงพร้อมด้วยความเป็นมุนีเป็นผู้มีบาปอันลอยแล้วผู้ที่ประกอบด้วยธรรมะอันทำให้เป็นมุนีเนี่ยนะก็มีอยู่6จําพวกด้วยกันคือหนึ่งอาคาระมุนีก็คือผู้ครองเรือนทั้งหลายสองอนาคาระมุนีก็นักบวชอนะัเสกเสขามุนีก็พระเสขาอเสขามุนีก็พระ อ, อรหรัน ปเจกมุนีก็คือพระปัจเจกแล้วก็มุนีมุนีหมายถึงพระพุทธเผยแอาคารมุนีเป็นฉไงก็คือคฤๅษีผู้ครองเรือนมีบทคือนิพพานอันเห็นแล้วมีศาสนาคือไตรสิกขาอันรู้แจ้งชื่อว่าอาคารมุนีนี่นต้องพระโสดาบันขึ้นไปจึงจะเรียกว่าอาคารมุนีส่วนอนาคารมุนีก็คือบรณฑปชิตผู้มีบทคือนิพพานเห็นแล้วมีศาสนาคือไตรสิกขาอันรู้แจ้งแล้วชื่อว่าอนาคารมุนีก็เป็นนักบวชที่เป็นพระโสดาบันขึ้นไป นักบวชเหล่านั้นก็แบ่งเป็นพระเสขะเจ็ดจำพวกชื่อว่าเสขาโมนีพระอรหันต์เรียกว่าอเสขาโมนีพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าปัจเจเป็นปัจเจกโมนีส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโมนีโมนีผนมุนีที่ยอมรับในที่นี้มี6ท่านหท่านอาคารามุนีอนาคารามุนีเสขาอเสขะมุนีปัจเจกมุนีมุนีโมนี จปะปฏิเสธว่าบุคคลย่อมไม่เป็นมุนีด้วยความเป็นผู้นิ่งเป็นผู้หลงไม่ใช่ผู้รู้ก็ไม่ใช่มุนีนิ่งแต่โง่ไม่รู้อะไรสักอย่างนี้เป็นมุนีไม่ได้ส่วนบุคคลใดเป็นบันณฑิตถือธรรมะอันประเสริฐเหมือนบุคคลประของตาช่างย่อมละเว้นบาปทั้งหลายบุคคนนั้นเป็นมุนีโดยเหตุนั้นบุคคลนั้นจึงเป็นมุนี บุคคลใดรู้จากโลกทั้งสองบุคคล น, นั้นเรียกว่าเป็นมุนีโดยเหตุนั้นบุคคลใดรู้ธรรมะของอา ศ, าศาัตบุรุษและธรรมะของศัตบรุษในโลกทั้งภายในทั้งภายนอกอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแลว้วบุคคล น, นั้นล่วงแล้วซึ่งราคาที่ทําเป็นเครื่องข้องและตันหาเป็นดังว่าคายจึงเป็นมุนีเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นมุนีใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมุนีดังกล่าวไป ธรรมะอันพระองค์ทราบแล้วคือธรรมะเนี่ยพระองค์ทรงรู้แล้วทรงเทียบเคียงพิจารณาให้เจริญให้จแจ่มแจ้งแล้วสรุปคาถาที่ท่านพระเมตตคูถามว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามแล้วซึ่งปัญหาใดพระองค์ได้ตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจะขอทูลถามปัญหาข้ออื่นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นทีรชนทั้งหลายย่อมข้ามซึ่งโอคะชาติชราโซกะปริเทวะได้อย่างไร ขอพระองคอ์พระองค์เป็นมุนีขอพระองค์เนี่ยปโปรดแก้ปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยดีแท้จริงธรรมะนั้นอันพระองค์ทรงทราบแล้วเนี่ยนะนั้นพระองค์เป็นผู้ทราบแล้วเป็นผู้รู้แล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างจริงพระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบว่าดูก่อนเมตคาคูเราจะขอบอกธรรมะในธรรมที่เราเห็นแล้วอันประจักษ์แก่ตนที่บุคคลทราบแล้ว เป็นผู้มีสติเที่ยวไปพึงข้ามตันหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆในโลกแก่ท่านนะคำว่าเราจะบอกธรรมะเนี่ยนะเราจะบอกธรรมะแก่ท่านก็คือเราจะบอกจะประกาศซึ่งพรหมจรรย์อันงามในเบื้องต้นงามในท้มกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัถฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิง พระองค์ก็ขอบอกกันนะงามในเบื้องต้นก็ต้องด้วยศีลเป็นต้นนั่นแหละงามในท่ามกลางด้วยสมถาวิปัสนางามที่สุดด้วยมรรคผลงามในเบื้องต้นเนี่ยเหมาะสําหรับอุคติตันอยู่งามในท่ามกลางเหมาะสําหรับวิปัญจิตันยูงามในที่สุดนะเหมาะกับนัยยะบุคคลนะพร้อมทั้งอัตพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะี่นลักษณะการประกาศธรรมะของพระองค์ก็เป็นอย่างนั้น ถามว่าที่พระองค์บอกประกาศนั่ น, นคืออะไรก็คือสติประธานสีสัมมาประธานสี่ทธิบาทสีอินทรียห้าพละหโ พ, หพชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์8ดนิพพานและปฏิปทาอันให้ถึงนิพพานเพราะฉะนั้นเราจะบอกธรรมะแ ก, ก่ท่านธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดทั้งปีดกสามเนี่ยนะก็คือธรรมะที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรมจารพร้อมทั้งอัฏฐ market, พร้อมทั้งพงยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงว่างั้น นนะธรรมะที่พระองค์บอกก็อะไรก็คือโพธิปัจจะธรรมสามสิประการสรุปโดยย่อก็คือนิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงนิพพานนั่นแหละที่พระองค์แนะนําสั่งสอนเนี่ยนะทิเทธรรมเมกือเราจะบอกธรรมะแก่ท่านนะในธรรมะที่เราเห็นแล้วถามว่าทิเทธ ร, รมเมเนี่ยนะในธรรมะที่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็ ค, คือเห็นอะไร ก็เห็นเนี่ยสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นต้นอ่ะนะก็คือตรัสรู้อริยสัจปฏิจจสมุบาททั้งอนุโลมปฏิโลมพินญาญธรรมปริญญาญธรรมเป็นต้นอ่ะนะ น, นั้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่พระองค์รู้แล้วรู้แล้วก็รู้ด้วยสัพพัญญุตญาณเป็นต้นนั่นเองอีกอย่างหนึ่งเราจักบอกทุกขในทุกข์ที่เราเห็นแล้วจักบอกสมุทยัยในสมุทัยที่เราเห็นแล้วจะบอกมรรคในมรรคที่เราเห็นแล้ว จะบอกนิโรธในนิโรธที่เราเห็นแล้วด้วยเหตุอย่างนี้จึงชื่อว่าเราจะบอกธรรมในธรรมที่เราเห็นแล้วคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นอริยสัจใช่ไหมพันธรรมะที่พระองค์บอกก็บอกอริยสัจนั่นเองอีกอย่างหนึ่งความว่าเราจะบอกธรรมะที่เพิ่งเห็นเองนะสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปสิโกโอปะรยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหะนะว่า บอกธรรมะที่เราเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนจะเพิ่งรู้ได้เฉพาะตน